อู่ไหมจิตมันอยู่กับลมไหมลมเคยดูมันไม่ลมอะลมหายใจเข้าลมหายใจออกอพุทธเข้าไปโทรออกมาออกมาพุทโทพุทโทพุทโทพุทธเป็นเรื่องพุทโทพุทโทเป็นเรื่องของจิตเป็นผู้ดำริลมเป็นเรื่องของกาย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 เรือนาปานสติไปสักพักหนึ่งแต่จิตของพระองค์ก็สงบแน่วอยู่แล้วแหละผ่านรูปประชานอรูปปัจานรูปปสมาบัตอรูปปสมาบัติเรื่องความสงบจึงไม่ใช่อุปสรรคพระองค์กำหนดแน่วเลยแหละยานพร้อมจะเกิดขึ้นกำหนดปั๊บแนวยานพร้อมจะเกิดขึ้น คำว่ายานก็คือยานัศสนาหน่ะแหละเห็นตามที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงหลวงตาทันเทพเมื่อกี้เนะีย่ยยะถาภูตังยานัศสนังรู้เห็นทัศนะคือรู้เห็นยานัศนะคือทั้งรู้ทั้งเห็นไม่ใช่มีแต่เห็นไม่มีรู้มีแต่รู้ไม่มีเห็นทั้งรู้ทั้งเห็น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 บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธะอุทานออกพอใญแล้พอละพอละพอใจละพอใจละสมใจละพอใจละดีละเลิศละประเสริฐแล้วหมดงานแล้วไม่ต้องแสวงหาอีกแล้วจบพรหมจรรย์แล้วงานอื่นที่จะทําให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพร้อมต้งรู้พร้อมต้งเห็น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 ตันหาอุปาทานเป็นภาชนะเป็นหมอ้อเป็นไหที่มันหอบหิวมามันใส่มาตราบใดที่ยังมีตันหายังมีอุปาทานตราบใดยังมีตันหาตราบนั้นก็ยังมีอุปาทานตราบใดหมดตันหาตราบนั้นหมดอุปาทานถูกทำลายหมดอุปาทานจึงเป็นเครื่องจำกัดเป็นเครื่องขัง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 ทิฏฐิผู้ตั darüber, food, ้งตันหามีที่ตั <whispering> ้งตันหามีที่ตั้งอวิชชามีที่ตั้งอวิชชาคืออะไรชี้ไปชี้ไปที่ชี้ไปก็เจอที่ตั้งของมันที่ตั้งของมันคือผู้รู้คือธาตุรู้เนี่ยแหละธาตุรู้คืออะไรก็คือใจของเรานี่ยแหละใจของเราคือทิฏฐิผูตั้ง ทิติผู้ตังฐานที่ตั้งของอวิชชาคือใจของเราเนี่ยแหละอวิชชามันกเกิดจากใจของเรามันเกิดที่ใจของเราใจของเราไม่บริสุทธิ์เห็นไห ม, ไหมเดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่ชะล้างจิตของตัวเองให้บริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิ์นั่นแหละมนทินของมันก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสเป็นมนทินของมันเป็นสิ่งเคลือบแฝงเข้ามาด้วยกับผู้รู้ชะ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 แต่ถ้าหากชะล้างหมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วผู้รู้ดวงนั้นไม่มีแก่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่เป็นสองเป็นหนึ่งเดียวดำรงตนอยู่ในภาวะที่บริสุออทธิ์อยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีที่จำกัดไม่มีเวลาจำกัดรอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรไปจำกัดพวกเราที่เราเกิดมาเนี่เรามีพบจากัด เราเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยคือโลกมนุษย์นี่แหละมันจํากัดเราไว้มีเวลาจํากัดคืออายุไขเท่านั้นปีเท่านี้ปีไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจ่าตุมดาวดาวดึงยามาก็จะตุมดาวดึงยามาแ ต, แต่ละชั้นแต่ละชั้นนั่นแหละมันจํากัดเราแต่ละชั้นมันก็มีอายุไม่เท่ากันอยืดยาวไม่เท่ากันเพราะคุณสมบัติของจิตที่จะไปอบัติแต่ละพบนะ่ะไม่เท่ากัน คุณสมบัติไม่เท่ากันละเอียดขึ้นไปอีกก็สูงขึ้นไปอีกอายุก็ยืนขึ้นไปอีกสูงก็ไปอีกอายุก็ยืนขึ้นไปอีกมีอายุจำกัดมีที่เกิดจำกัดไปเกิดตามบุญตามกรรมเกิดที่ไหนก็อายุจากัดก็ยางงั้นไปเกิดเป็นยุงอายุยู่วันนันแ่ะจากัดแล้วเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นสุนัข อายุกี่ปีจำกัดนั่นแนหะอายุจํากัดแล้วพบชาติของมันจํากัดแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อืออายุจํากัดแม้แต่ไปเกิดสูงสูงนู้นที่เขาเรียกว่าโลกของพระพรหมที่ยังที่ยังที่ยงก็เพราะตีบตันด้วยสติด้วยปัญญาพวกพราหมณ์เขาบอกว่าพระพรหมไม่เที่ยงพระพรหมหลงตัวเองว่าตัวเองเที่ยงไม่แก่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 ที่พระโพธิสัตว์ท่านสร้างบา ร, รมีเนี่ยสี่อสงไขน่นี่อันนี้ก็รสร้างสร้างระยะเวลาสัา้นสี่อสงไข่แสนมหากับไอแสนมหากับกับแปดมืนสี่พันกับดูที่มันยังไม่ถึงหางของท่านโดยซ้ำไปวันคืนล่วงไปวันคืนล่วงไปมันก็หมดจนได้พรหมเหล่านั้นหมดจนได้หมดแล้วก็ม า, า, ม า, าบัตในโลกมนุษย์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 สละทิ้งเลยแหละภากันออกบวชทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละวันที่ถูกต้อง ถ, ถูกเนื้อต้องตัวกันก็คือโกนให้กันว่างั้นได้ยินว่าไงในตำนานก็ว่าโกนให้กันต่างคนต่างโกนให้กันหลังจากโกนเสร็จแล้วเนี่ก็ดูมันยังไม่ทราบเลยว่าพระพุทธเจ้าบัตรในโลกหรื อ, อยังไงได้ยินว่าอ่าอธิษฐานถือเพศเป็นบันไปชิดต่อพระอาหารหันในโลกว่างั้นนะ เดินไปเดินไปเดินไปด้วยกันสละสมบัติทิ้งหมดเดินไปด้วยกันไปถึงทางแยกสองแพร่งคนหนึ่งก็ไปทางหนึ่งคนหนึ่งก็ไปทางหนึ่งพระมหากรสปะก็ไปพบพระพุทธเจ้าที่ประหบุตรีโครดพระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ให้บันให้บวช ด, ด้วยให้บวช ด, ด้วย โอวาทสามหรือสีข้อเนี่ยประมาทศักปดปินางพัฒกาปีลานีก็แยกไปอีกข้างหนึ่งแยกไปก็ไปเจอพิสุนีพอดีได้บวชเป็นพิสุนีนี่เราพูดในสมัยนั้นในยุคในยุคนั้ น, นท่านพูดอยู่บ่อยว่าสัตว์ที่เกิดในพรมโลกมาเกิดพอมาเกิดแล้วไม่มีความกำนักไม่มีความยินดีเพราะพวกพรหมพวกพรหมเขาไม่กำนัดเขาไม่ยินดี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 แกกล้าไปเรื่อยแกกล้าไปเรื่อยแก่กล้าไปเรื่อยนะแก่กล้าไปเรื่อยแกกล้าไปเรื่อยแก่กล้าไปเรื่อยอะไรนะพระพรหมห้าห้าห้าห้าห้าชั้นน่ะะพระพรหมอะไรนะอ่าอวิหาอัตตปาอวิหาอัตตปา ชั้นอวิหารชั้นอัตตปปาสุทาสาสัสสีอากนิฐ า, า, าพระพรมเหล่านั้นที่เป็นพระอนาคามีไปเกิดบางคนก็ได้จัดสรุ้เป็นพระอรหันต์ภายในกึ่งหนึ่งของอายุบางคนก็บา ง, บางคนก็กึ่งแรกบางคนก็กึ่งปลายได้เป็นพระอรหันต์แล้ว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 คอยแต่จะหลุดจะร่วงถูกลมก็หลุดร่ว ง, งไม่ถูกลมก็หลุดร่วงพอไปถึงแล้วมันเหมือนไม้มันเหมือนผลไม้สุกงอมคอยแต่จะหลุดจะร่วงหลุดร่วงจากคั่วคั่วคืออะไรคืออวิชชาอาวิชชาเป็นยอดอวิชชาเป็นคั่วเป็นคั่วถ้าเราจะเทียบเหมือนคั่วของผลไม้อ่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 ติดกันพืชเป็นร่างแหไปหมดแหละมันมาจากจอมแหของมันคือเจ้าอาภิชชานั่นแหละเจ้าตันหานั่นนี่คือกามประเภทวัตถุกามยอดของกามก็คือกามราคะท่านว่ายอดของกามเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านหลุดออกจากขั้วของกามได้พระอนาคามี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 อวิชฌาเป็นอันเดียวกันนะทั้งหมดเนี่ทยทะเยะยะกิริยาก็เป็นรูปประราคะาก็ต อ, อวิชฌานอนพาติให้รูปรูปเปนมิตรอรู ป, ป ร, ราคะคืออรูปเปนมิตรกุต จ, จักอุทธ จ, จักไม่ใช่อุทธ จ, จักกุต จ, จัะนะ อุดทัตจะเฉยๆไม่ใช่กกกุญจะฟุ้งซ่านรานําคาญเหมือนลงตาท่านว่านี่ยจิตมันหมุนมุนหมุนหมุนหมุนมนหมุ น, มนจนปรุงจนฟุ้งแต่มันฟุ้งแบบฟุ้งอยู่ในในอารมณ์ของงานเป็นอุททัตจะแต่มันไม่ใช่กุกุญจพะพวกเรายังไม่ถึงขั้นนั้นพวกเรามีอุดทัตจะกกุญจะซึ่งเป็นนิวรณ์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 เรวกว่าเขาคิดไว้จะของเร็วเขาดีกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาอันนี้รอบหนึ่งอีกอีกรอบหนึ่งก็คือตนเรวกว่าเขาสําคัญว่าเรวกว่าเขาเนี่ยเอาไปเทียบเขาทั้งที่เรวกว่าเขายังคิดแม้แม้แต่จะคิดไว้จะของว่าเรวกว่าเขานี่ก็คือเอาไปเทียบตอนเรวกว่าเขาสํำค็สําคัญว่าดีกว่าเขาเอาไปเทียบ ตนเรีวกว่าเขาสาคัญว่าเสมอเขาอันนี้คือรอบที่สองรอบที่ว่าเรวกว่าเขารอบที่สามเสมอเขาตนเสมอเขาสาคัญว่าเสมอเขานี่ก็ผิดอีกอ่ะมันยังมีมันยังมีอยู่นิดหน่อยนั่นแหละไอ้กิเลสตัวถือตัวอยู่นั่นน่ะมีมีนิดหน่อยอยนั้นตัวเรวตัวเสมอเขาสาคัญว่าเสมอเขาตัวเสมอเขาสาคัญว่าเร็วกว่าเขา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 มาเนื้อเป็นที่เป็นไม้ไม้เนื้อละเอียดไม้เนื้อตันไม้เนื้อพุนไม้เนื้อโปร่งเขเบาขึ้นมาเบาขึ้นมาอย่างเงไม้ไผ่เนี่ก็เบาขึ้นมาเบาขึ้นมาอมาถึงอะไรมาถึงสัมฤีอ่ามาถึงนุ่นเนียเนื้อมันโปร่งๆนั่งว่เบาเราเทียบเคียงอย่างนี้สิ่งที่เป็นเนื้อตันๆน่ะนั่นแหละโลกมันก็ดึงดูดมากไปยกก้อนหินดูดิยกก้อนหินเท่ากันกับยกก้อนไม้ เท่ากันมันยันหนักไม่เท่ากันน้ำหนักมันแตกต่ตางกันนี่คือโลกมันดึงดูดอืเราย่อยายละเอียดเข้ามาอีกพลังดึงดูดของโลกชิ้นยังแม้เหล็กแม่เหล็กมันดึงดูดเหล็กชิ้นเล็กแล้วก็ไปดึงออกออกง่ายเพราะเพราะแรงมันเล็ก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 ไปเกิดเป็นสัตว์ก็คือกองทุกไปเกิดไปเกิดเป็นมนุษย์ก็คือกองทุกไปเกิดไปเกิดเป็นเทวดาชั้นอินชั้นพรหมก็คือกองทุกไปเกิดกองทุกไปโผล่ระดับใดไปเกิดก็คือกองทุกไปเกิดกองทุกไปโผล่ไปโผล่ท e ี e ่นู่นไปโผล่ที่นี่ไปที่ภพชาติที่มีแต่เสวยทุกก็นู่นภพชาติเนีอบายนะก็ไปที่ตั้งแต่เวจีมหานรก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 ขาดธรรมขาดศีลขาดธรรมขาดความประมัดระวังความอยากกระซิบกรัซาบเรื่องอะไรหลวมตัวให้มันกระซิบกระซาบเรื่องวัตถุ ก, กามแสวงหาให้กับมันมันกระซิบกระซาบเรื่องกามราคาแสวงหาให้มันป้อนให้มันป้อนมันให้มันสมอยากงับเข้าไปแล้วนะ่ะเยือ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 ตัวเองอายุไขของตัวเองอ้าวเอวังเอาข้อนิสัยซะข้อนิสัยเอาพวกนั่นกลับซะ